ปัญญาและกรุณาตัวกำกับและขับเคลื่อนการทำงานของมหาบุรุษโยงกับความที่กล่าวมาแล้วมีข้อที่ควรเน้นซึ่งน่าจะแยกออกมาพูดให้ชัดยิ่งขึ้นกล่าวคือได้อธิบายให้เห็นว่าเมื่อปัญญาเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดลําพังตัวเปล่าๆแต่พ่วงเอากุณธรรมที่สำคัญสาคัญเกิดตามมาด้วย เมื่อคนตกอยู่ใต้อวิชชาไม่ใช้ความรู้อยู่ด้วยความรู้สึกก็ปล่อยให้ตัณหาพาไปและพึ่งตัณหาพาให้ทำอะไรอะไรแต่พอปัญญาพัฒนาขึ้นมาฉันทะได้โอกาสพร้อมทั้งมีกำลังมากขึ้นก็เข้ามานำการกระทำของคนให้ไม่ต้องมืนมัวมั่วหมกอยู่ใต้โมหะและตัณหาแต่ก้าวขึ้นมาสู่การมีชีวิตที่ดาเนินไปด้วยปัญญาโดยมีฉันทะสนองงาน และไม่ใช่เท่านั้นฉันทะยังส่งแรงขับเคลื่อนออกมาทางคุณธรรมต่างๆที่จะทําให้เกิดความดีงามความสมบูรณ์สมความมุ่งหมายโดยเฉพาะคุณธรรมที่เด่นในการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคนสัตว์คือกรุณาดังที่ได้พูดพาดพิงไว้เพื่อเชื่อมความขอทบทวนสาระตามหลักการว่าเมื่อเกิดปัญญารู้เข้าใจ มองเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายลึกซึ้งกว้างขวางออกไปก็ดีมองเห็นภาวะดีงามและคุณค่าของสิ่งทั้งหลายนั้นๆก็ดีถ้าไม่ปล่อยให้ตันหาแทกเข้ามาชิงตัดหน้ารับช่วงไปเสียก่อนก็ย่อมจะต้องเกิดมีฉันทะรู้สึกซาบซึ้งมีใจโน้มน้อมไปหาคุณค่าและภาวะดีงามพร้อมทั้งอยากให้สิ่งนั้นๆดำรงอยู่ในภาวะที่ดีงามสมบูรณ์ของมันโดยในยะนี้ ถ้าสิ่งที่ประสบยังไม่บรรลุอุดมสภาวะและคุณค่าอันสมบูรณ์ก็ย่อมเกิดมีฉันทะที่จะทำให้ดีให้สมบูรณ์ตามนั้นนี้เป็นกรณีเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายโดยทั่วไปแต่ถ้าเป็นกรณีของสัตว์บุคคลฉันทะที่เกิดขึ้นก็จะแสดงออกในภาวะจิตที่มีชื่อพิเศษว่าเมตตาคือความรักความปรารถนาดี อยากให้สัตว์บุคคลอื่นดํารงอยู่ในภาวะดีงามประสบประโยชน์สุขบรรลุอุดมสภาวะของเขาคือความปลอดโปรง่งโล่งสบายไม่มีอะไรบีบคั้นกายใจอย่างไรก็ตามความต้องการของฉันทะต่อสัตว์บุคคลคือการที่อยากให้เขาอยู่ในภาวะดีงามสมบูรณ์นั้นไม่ใช่แสดงออกมาเป็นเมตตาอย่างเดียวแต่แสดงออกแตกต่างไป ตามสถานการณ์ที่สัตว์บุคคลนั้นประสบการที่ฉันทะแสดงออกเป็นเมตตาหรือไมตรีอยากให้เขาอยู่ดีมีความสุขก็คือในสถานการณ์ที่เป็นปกติแต่ถ้าเขาอยู่ในสถานการณ์อย่างอื่นที่เปลี่ยนไปจากปกติฉันทะก็แสดงความปรารถนาดีในลักษณะอาการที่ต่างออกไปและได้ชื่อต่างกันไปตามสถานการณ์นั้ น, น, น ถ้านับสถานการณ์ปกติที่จะมีเมตานั้นเป็นที่หนึ่งสถานการณ์ที่สองก็ได้แก่คราวที่สัตว์บุคคลนั้นตกต่ำลงไปจากปกติคือเกิดความเดือดร้อนเป็นทุกข์เช่นเจ็บไข้ขาดแคลนในสถานการณ์ที่สองนี้ชั้นทะที่อยากให้เขาดีงามสมบูรณ์ก็แสดงออกเป็นการุณาคือภาวะที่พลอยมีใจหวั่นไหวอยากแก้ไข คิดช่วยเหลือให้เขาพ้นจากทุกข์ต่อไปเป็นสถานการณ์ที่สามคื อ, อยามที่ผู้อื่นนั้นขึ้นสูงกว่าเดิมที่เป็นปกติอย่างที่เรียกว่าได้ดีมีสุขเช่นเรียนจบได้งานหายป่วยเลิกกินเหล้าหันมาทำความดีคราวนี้ฉันทะที่อยากให้เขาดีงามสมบูรณ์ก็ให้สมใจจึงมีมุทิตาคือปลอยยินดีอนุโมทนา ส่งเสริมหรือช่วยสนับสนุนอยากให้เขาดีงามเจริญก้าวหน้าดียิ่งขึ้นไปสถานการณ์สุดท้ายคือที่สข้อนี้พิเศษคือเมื่อผู้นั้นรับผิดชอบตัวเองได้หรือเขาควรรับผิดชอบตนเองเป็นความสมควรที่จะเป็นอย่างนั้นที่เขาจะอยู่หรือดำเนินไปในภาวะนั้นเราไม่ควรยุ่งด้วยเช่นในกระบวนการยุติธรรม และในการฝึกคนดังที่พ่อแม่รักอยากให้ลูกเจริญงอกงามดูแลลูกเล็กที่กำลังหัดเดินเตาะแตะก็วางทีเฉยดูอยู่ใกล้ใลให้เขาหัดเดินไปโดยพร้อมที่จะแก้ไขถ้ามีอะไรพลาดพลัง้งแต่ไม่ใช่มัวสงสารกลัวจะล้มจะเจ็บและคอยอุ้มอยู่เรื่อยการวางทีเฉยดูโดยรู้เข้าใจ ไม่เข้าไปวุ่นวายก้าวกก่แทรกแซงนี้เรียกว่าอุเบกขาทำสี่อย่างคือเมตตากรุณามุติตาอุเบกขานี้นิยมเรียกชื่อรวมชุดว่าพรมวิหารสี่แปลว่าทำประจําใจอันประเสริฐสี่ประการท่านแสดงหลักไว้ว่าสัพเพสัมปิจะเอเตสังกัตตุกรรมมยตาฉันโทอาธิ แปลว่าทำทั้งสีน่นี้มีชันทะเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นที่ตั้งต้นอาจจะสงสัยว่าอุเบกขานี่มีชันทะมีความปรารถนาดีอย่างไรนี่แหละคือยอดความปรารถนาดีที่ต้องมีต้องใช้ปัญญาแท้จริงคือต้องการความไม่ผิดพลาดแก่เขาต้องการความไม่ผิดธรรมแก่เขาอยากให้เขาดําเนินไปในความถูกต้องในความสมควรจะเป็นอย่างนั้น ในความไม่เสียหายให้เขาเป็นไปโดยธรรมถูกธรรมชอบธรรมนี้คือคุณธรรมสำคัญที่เกิดมีตามฉันทะมาทุกคนฝึกให้มีได้แต่ถ้าเป็นพระอรหันต์จะมีความพิเศษเพราะเหตุที่ท่านเป็นอิสระสมบูรณ์ไร้ทุกท่านมองดูชาวโลกเห็นเขาดิ้นรนวุ่นวายกันอยู่ในทุกคุณธรรมเด่นของท่านก็มาอยู่ที่ข้อกรุณา สำหรับปุถุชนปัญหาเกิดขึ้นในแง่ที่ว่าเมื่อรับรู้สถานการณ์อย่างนี้มักมีอวิชชาตันหาครองใจซะก่อนคือตอนกำลังสแสวงหาเวทนาอร่อยเพื่อจะเสพอยู่เสียบ้างกำลังห่วงกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงยิ่งใหญ่ของตัวตนหรือมีอัตตาที่คอยจะกระทบอยู่เสียบ้างเลยไม่มีช่องให้ปัญญาโล่งบริสุทธิ์เกิดขึ้นที่จะนำเอาการุณาเข้ามาได้ แต่อาจมีบ้างบางเวลาที่จิตใจของปุถุชนนั้นว่างโล่งโปรง่งเบาและเขาใช้โยนิโสมนั ส, สิการคือการทำใจแยบคายหรือคิดถูกทางถูกวิธีตามสภาวะและเหตุผลตัดโอกาสของอวิชชาตันหาเสียปัญญาบริสุทธ์ก็เข้ามาเปิดช่องทางให้กรุณาแล่นผ่านออกไปได้ภาวะติตที่ประกอบด้วยกรุณาก็เกิดขึ้นแก่ปุถุชนนั้น แต่สำหรับพระอระหันต์ผู้สิ้นอวิชชาตันหาไม่มีความประวงคิดติดในการแสวงหาสิ่งเสพสยเวทนาหรือความห่วงกังวลเกี่ยวกับตัวตนปัญญาบริสุทธิ์ย่อมพร้อมอยู่ตลอดเวลาที่จะให้ฉันทะเผยแสดงการุณาออกมาไม่ว่าในเวลาใดก็ตามที่ประสบอารมณ์คือสัตว์บุคคลผู้ตกทุกข์ติดอยู่ในพันธนาการโดยนัยนี้ ความสิ้นอวิชชาตันหาอุปาทานแล้วจึงเป็นเพียงเครื่องจำระให้การกระทำของพระอรหันต์เป็นไปโดยบริสุทธิ์ปลอดภัยไรโทษปราศจากกิเลสเช่นความกลัวและความเกียดคร้านที่จะเหนี่ยวรังส่วนพลังกำกับและนำการกระทำของท่านก็คือปัญญาและกรุรณาพุทธคุณโดยสรุปท่านถือกันมาเป็นหลักว่ามีสองอย่างคือปัญญาและกุณา ปัญญาซึ่งให้สำเร็จพุทธภาวะความเป็นอัตนาทะเป็นที่พึ่งของพระองค์เองได้และอัตตหิตะสมบัติความถึงพร้อมด้วยประโยชน์ตนเป็นต้นกรุณาซึ่งให้สำเร็จพุทธกิจความเป็นโลกนาทะเป็นที่พึ่งของโลกและประหิตะปฏิบัติการปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นต้นในภายหลังบางครั้ง ท่านเน้นวิสุทธิคุณแยกออกมาเป็นข้อหนึ่งด้วยแต่ตามปกติก็ถือว่าวิสุทธิคุณเนื่องอยู่ในพระปัญญาอยู่แล้วเพราะเป็นผลเกิดเองจากการตรัสรู้ท่านจึงไม่แยกเป็นข้อหนึ่งต่างหากในคำภีวชิระพุทธิฎีกาแสดงไว้ว่าพุทธกิจมีสองอย่างคือญาณกิจและกรรณากิจแปล ง, ง่ายๆว่างานที่ทรงทาด้วยพระญาณ และงานที่สรงทำด้วยพระกรุณาปัญญาของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายปลอดจากอาหางการเ ม, มังการคือปลอดจากความถือว่าตัวเราของเราและกรุณาก็ปราศจากสเสน่หาและความโศกส่วนมนุษย์ปุทุชนมีกรุณาก็ยังเป็นกรุณาเทียมคือยังมีสเสน่หาเป็นความรักผูกพันเยื่อใหญ่ติดในบุคคลและมีโศก ยามสงสารใครก็ยังมีจิตใจเหี่ยวแห้งมองเศร้าไม่โปร่งผ่องใสอันหนึ่งเมื่อพระพุทธศาสนาแยกออกเป็นสองนิกายแล้วก็ถือกันว่าฝ่ายเถราวาทเน้นด้านปัญญามหายาณเน้นด้านการุณาการเคลื่อนไหวและการกระทำของมหาบุรุษพิสุทธิชนคือพระอรหันต์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น เมื่อได้ปัญญาเปิดช่องและส่องนำทางโดยมีกรุณาเป็นแรงส่งมุ่งสู่เป้าหมายย่อมเป็นไปอย่างเข้มแข็งจริงจังให้เกิดงานยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าพุทธกิจและศาสนากิจต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของมวลประชาชาวโลกเป็นผลสําแดงแห่งพุทธธรรมและพระพุทธศาสนาที่ดำรงอยู่ยั่งยืนมาจนบัดนี้